คือถามว่าศับนี่มาจากตรงไหนในในคถาเห็นไหมในในปฐมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุโพธิผู้บรรลุโพธิตัวนั้นเนี่ยหมายถึงสัพพัญญุตยานเขาก็แปลออกมาเลยว่าโพธิแปลว่าสัพพัญญุตยานหรือธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาและมนุษย์แสนโกรธในปฐมในปฐมธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุอรหัตตมัคคายน จะพูดตรัสจะใช้ประโยคไหนก็ได้เพรานั้นบาลีนี้สามารถแปลได้หลายอย่างคือแต่ละอย่างก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะอัตุลังแปลว่าช่างไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ช่างไม่ได้คือเกินที่จะช่างไม่รู้เอาตะเอาตะช่างไหนมาช่างนะเพราะว่าใน ปฐมมธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่พระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาชั่งพระองค์เองก็ไม่มีอัตุลังเนี่ยสัมมาสัมพุท ธ, ธมตุลังอะไรในคาถาอะไรใครเรียนอรพิธรรมตสังคะหามาก็ใครที่เป็นนักอรพิธรรมทั้งหลายโดยมากจะท่องคาถานี้ได้สัมมาสัมพัฒุม ะ, ะสัมมาสัมพุท ธ, ธมตุลังเนี่ยนะในคาถาในคาถาแรกของคาถาอะไรนะของคมภีร์ อภิธรรมัตสังกหะเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธมตุล <an am ma, |transcribe|> um ังเนี่ยนะมันพระองค์นี้เป็นผู้ที่บุคคลช่างไม่ได้เนี่ยช่างไม่ได้หรืออีกในหนึ่งบอกว่าสมัยใดพระมังคละพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในนครชื่อว่าจิตตะจิตตะตัวนี้แปลว่าวิจิตแปลว่าเมืองที่วิจิตมากตกแต่งได้อย่างงดงาม พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองจิตตะแล้วก็ทํายมกะปาติหารคมมาณะของพวกเดรธีณโคนต้นจำปาจำปามันน่าจะต้นเดียวกันกับต้นอะไรต้นจำปาก็จำปาลาวนะคะแบบนั้นเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงทายมกะปาติหารที่โคนต้นคันดามะพฤกคันดามะพฤกเนี่ยจริงๆหมายถึงต้นมะม่วงอันะนที่นายคันดะเขาปลูกเอาไว้ก็เลยเรียกว่าต้นคันดามะพฤกนะ แล้วพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือพื้นแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจใต้โคนต้นปริชัตตกะณภนะพบดาวดึงซึ่งเป็นภพประเสริฐสำเร็จด้วยทองและเงินใหม่งดงามเป็นแดนสำเริงสำราญของเหล่าเทวดาและอสูรหนุ่มสาวตรัสพระพิธรรมสมัยนั้นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาแสนโกรนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สองสมัยใดพระเจ้าจากักรพรรดิพระนาม ว, วาสุนันท ทรงบําเพ็ญจั ก, กวัติวัตเรียกว่าวัดข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบริบูรณ์นสุรพีนครพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นี้ก็ได้จักรรัตนะเล่ากันว่าเมื่อพระมงคลทศพลเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจักรรัตนะนั้นก็เคยื่อนจากฐานพระเจ้าสุนันทาเห็นแล้วก็หมดความบันเทิงพระหาฤทัยก็บอกว่าจากตัวนี้มันจะลอยถ้ามันเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยเจ้าของจักรนี่เครียดเลยว่างั้นนะ พระราชาพระองค์นี้ก็หมดความบันเทิงก็แปลว่าเศร้าใจเครียดเลยก็สอบถามพวกพราหมณ์ว่าจักรรัตนานี้บังเกิดเพราะบุญของเรา <'t> เหตุไฉนจึงขยื่นจากฐานสมัยนั้นพราหมณ์เหล่านั้นก็พยากรณ์ถึงเหตุที่จักรัตน์ขยื่นแด่พระราชาว่าจักรรัตรน์นี้จะขยื่นเคลื่อนจากฐานเพราะหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิจะหมดพระชนมายุแปลว่าอีกเจ็วันตายแน่ อีก7วันเนี่ยถ้าจักเคลื่อนอีก7วันพระองค์สิ้นพระชนในที่หนึ่งสองเพราะพระเจ้าจักรพรรดิทรงผนวดพระบวชแล้ว7วันจักจะเคลื่อนสเพราะพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกหนึ่งสองผ่านไปใช่ไหมเหลือข้อสาแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระชนมายุของพระองค์ยังไม่สิ้นดอกพระเจ้าข้าเพราะพระองค์ในทรงมีพระชนมายุยืนยาว แต่พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกด้วยเหตุนั้นจั ก, กรรัตนะของพระองค์จึงขยื่อนเคลื่อนจากที่นะพระเจ้าสุทัศพระเจ้าสุนันทจักรพัติราชพร้อมด้วยราชาบริษัทก็ทรงไหว้จั ก, กรรัตนะนั้นด้วยเสียงกล่าวทรงวอนขอว่าตราบใดเราจักสักการะพระทศพลพระมงคลทศพลด้วยอนุภาพของท่านขอท่านอย่าเพิ่งอันตรธานไป ตราบนั้นตราบนั้นด้วยเถิดหมายจะเอาจักนี่แหละบูชาว่างั้นอย่าเพิ่งหายไปไหนนะรอหน่อยรอให้ทําบุญหน่อยแล้วกันจักรรัตนะนั้นก็ตั้งอยู่ตามเดิมนั่นแหละจากนั้นพระเจ้าสุนันทจักรพัติราชสมัยพระพุทธเจ้าข้างหน้าองค์ต่อไปเนี่ยนะจะมีพระจักรพรรดเกิดขึ้นเหมือนกันสมัยพระพุทธเจ้าเมตยะมีพระเจ้าจักรพรรดชื่อว่าพระเจ้าสังขะเนี่ยนะพระเจ้าสังขะเป็นพระเจ้าจักรพรรดเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะ นี่ก็เหมือนกันสุนันทจักพัทผู้มีความบันเทิงพระหาฤทยัยพรั่งพร้อมมีบริษัทโดยมณฑลโดยรอบประมาณ36โยธแวดล้อมที่เรียกว่าคนแห่แหนไปเฝ้าพูทพ้ทธเจ้าเนี่ยเยอะมากนะเนี่ยยิ่งกอกไปเดินขบวนเยอะก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระมงคลทศพลผู้เป็นมงคลของโลกพระราชาก็อังคาตพระศาสดาคือถวายปัจจยัย4ี่แดพระศาสดาพร้อมทั้ง พระสาวกให้อิ่มน้ำสําราญด้วยมหาทานถวายผ้าแคว้นกาสีแด่พระอาหารหันต์ประมาณแสนโกรธรูปถวายบริขารทุกอย่างแด่พระตถาคตทรงทําการบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทําความประหลาดใจทั้งสิ้นให้อดประหลาดใจสิ้นทั้งโลกก็คนนี้ก็ประหลาดใจอัศจรรย์ใจมากนะถ้าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระมงค์คนพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวงพระองค์คือพระเจ้าสุนันทจกกักรพัทก็ทําอัญชลีเรียกว่าดอกดอกอะไรนะยกมือ10นิ้วอันรุ่งเรืองเหมือนชอ บ, บัวอันไร้มนทินนะบางคนเนี่ยวย้เหมือนกับดอกบัวเฉาดอกบัวดอกบัวอะไรนะวาก็วาให้มันเหมือนดอกบัวตูมนะ่อยเหมือนดอกบัวบัวบานบานแล้วดอกบัวโรยเนี่ยนะ โรยหน้าโรยหลังไปเรื่อยนะก็ไหวมันเหมือนกับไหวหกเหมือนดอกโบตูมเหมือนกันอันรุ่งเรืองด้วยท่าสะหสมาุารอะ น, นะสิบนิ้วประชุมกันอันรุ่งเรืองเนื้อเสียงกล่าวถวายบังคมและประทับนั่งหนะ้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแม้พระรโชโรตของพระองค์นามพระนามว่าอนุราชชุมารก็ประทับนั่งอย่างนั้นเหมือนกันคือพระราชาก็ไปอนนะุราชกุมารของพระองค์ก็ไปพันพระอนุราช อนุราชากรุมาเ น, นี่แสดงว่าเป็นปรินายกของพระราชาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสอนุปปพิกถาแสดงทำตามลำดับทานศีล ส, สวรรค์แล้วก็โทษของกามประกาศอรรยสัตว์ซึ่งมีพระเจ้าสุสนันทจักพัทเป็นประธานพระเจ้าสุนันทจักพัทพร้อมทั้งบริษัท์บรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสโอ้มีบุญจังเลยนะ แสดงว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี้ผ่านสมบัติได้เพียบพร้อมนี้เป็นผลของบุญทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างที่เราสวดบุญญาณิธิใช่ไหมสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่น่ารักปฏิสัมพิธาสีปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยบุญญาณิธิเหล่านั้นมันก็บุญญาณิธิผู้ที่สั่งสมบุญมาเนี่ยดียิ้มรับอย่างเดียวกัน แต่ถ้าผลบาปอย่ามาเลยเนี่เครียดได้ยินปั๊บเครียดเลยนะถ้าผลบาปนะถ้าผลบุญเนี่ยื้มเลยนะแม้มาเร็วๆหน่อยนะเหมนนะเนี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าสุนันทาจักพัทก็บรรลุผ้าหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสี่ลำดับนั้นพระศาสดาทรงสำรวจปุบพระจริยาความปรารถนาแต่เก่าก่อนของชนเหล่านั้นเห็นอุปนิสัยแห่งบาจีวรที่สาเร็จด้วยฤทธ เรว่าคือเคยถวายบริขารสัมมณบริขาร8มาเมื่ออดีตเคยถวายสมมาณบริขาร8มาก็ามีอุปนิสัยที่จะบวช ด, ด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาเพราะงงก็เลยเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาที่ประดับด้วยตาข่ายลายจักคือพระพุทธเจ้านี่มีฝ่ามือเป็นคล้ายลายลายจักเนี่ยนะลายจักโปรงก็ตรัสว่าพวกนะพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเธอ ในทันทีภิกษุทุกรูปก็มีผมขนาดสองนิ้วทรงบาทจีวรสำเร็จด้วยริดถึงพร้อมด้วยอาการอันสมควรแก่สมณะประหนึ่งพระเถระ60พันสาเวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งที่สอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ภาษารีบุตรฟังว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมในสวรรค์ชั้นดาวดึง พบของเท้าส ก, กะจอมทวยเทพธรรมมาพิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่เทวดาแสนโกรธในสมัยใดพระเจ้าสุนันทจาจักรพัฒเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้ทรงลั่นธรรมเพรีกลองธรรมอันสูงสุดสมัยนั้นหมู่ชนที่ตามเสด็จพระเจ้าสุนันทามีจํานวน90โกรธชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีเหลือเป็นเอหิพิขุ นะก็แค่ดูรัศมี36โยชน์เนี่ยคนจะไปมากขนาดไหนเล่ากันมาว่าในครั้งนั้นเมื่อพระมังคละโล ก, กนาดประทับอยู่ณเมฆละบุรีเมืองเมฆลานี่นะในนะครนั้นนั่นแหลสุเทวมานพและธรรมเสนมานพมีมานพพันหนึ่งเป็นบริวารพากันบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันประชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นแสดงว่าอดีตท่านเหล่านี้ถวายสมณบริขารมาเป็นอย่างดีก็เลยบวชได้ด้วยเอหิพิคุเมื่อคู่พระอัครสาวกพร้อมบริวารบรรลุพระอรหันต์ในวันเพ็ญเดือนมาฆาพระาศาสดาทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงในท่ามกลางภิกษุแสนโกดนี้เป็นสาวกสนิบาตการประชุมสาวกครั้งแรกทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงในประชุมชนของบรรพชิตในสมาคมญาติอันยอดเยี่ยมนะ อุตรารามอีกก็แสดงว่าตอนนั้นพระองค์หลังจากแสดงพุทธวงศ์พระญาติก็ออกบวชมากมายก็มีการตรัสรู้ธรรมก็เมื่อญาติเหล่านั้นที่บวชเป็นเอหิภิกขุก็แสดงโอวาทปาติโมกอีกนี้เป็นสาวกสนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงในถ้ำกลางภิกษุ9ก้า0โกรธในสมาคมคณะภิกษุพระเจ้าสุนันทจกกักรพัทนี้เป็นการ ประชุมสาวกสันนิบาตครั้งที่สด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบดฟังว่าพระมังคละพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีการประชุมสามครั้งครั้งที่1ประชุมภิกษุแสนโกรธครั้งที่สองประชุมภิกษุแสนโกรธครั้งที่สประชุมภิกษุ90โกรธครั้งนั้นเป็นการประชุมภิกษุขีณาศพผู้ไร้มนทินบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ได้อภินยาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะ น, นี้ก็ยังไม่ได้มาเข้าพระพุทธเจ้าของเราเลยว่าอาดีตท่านคือใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะก็เล่าว่าพระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นพงค์ก็บำเพ็ญระหว่างที่บำเพ็ญบารมีอยู่ก็เป็นพรามชื่อว่าสุรุจิในหมู่บ้านสุดสุรุจิพรามเป็นผู้จบไตรเพศ พ, พร้อมทั้งคำภีนิคันดุสาสเกตุพษาส ทั้งประเภทอักษรศาสตร์ชํานาญร้อยกรองชํานาญร้อยแก้วแปลว่าพูดเป็นกาบเป็นโครงเป็นกรอนพูดยังไงพูดได้หมดเลยเนี่ยนะเชี่ยวชาญทั้งโลกายตศาสตร์และมหาปริศลักษณศาสตร์ก็คือคำภี์สายอักษรศาสตร์สายเหล่านี้ท่านจบหมดทุกวิชาเนี่ยนะสายกลุ่มสายอักษรศาสตร์กล่มกล่มพวกต้นไม้ใบหญ้าพฤกษชาติพวกเวทมนต์คาถากลุ่มทั้งหมดเหล่านั้นท่านแตกฉานมากจบวิชาเหล่านั้นหมดเลย ท่านสุจิพรามนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมกถาอันไพเราะแสดงว่าไพเราะในเบื้องต้นด้วยศีลสมถะไพเราะในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาอริยมร์ไพเราะในที่สุดด้วยผลและนิพพานที่พระทศพลพระพุทธเจ้าผู้ทรงกําลังสิบแสดงแล้วก็เลื่อมใสถึงพระรัตนไตรว่าเป็นสรารนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับอาหารของข้าพระองค์ด้วยเถิด หลังจากนั้นท่านพราหมณ์นั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถามว่าท่านพราหมณ์ท่านต้องการภิกษุจำนวนเท่าไร่พระเยอะมากเนี่ยจะเอาเท่าไหรด่ดีก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไหร่เล่าพระเจ้าข้าทั้งนั้นการประชุมครั้งที่หนึ่งก็เลยตรัสว่ามีแสนโกดสุรุจิพราหมณ์ก็นิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นเช่นนั้นขอพระองค์โปรดทรงรับอาหารของข้าพระองค์พร้อมกับภิกษุ ทุกรูปพระเจ้าค่ะอะว่ามีศรัทธามากเลยนะพระาศาสดาก็รับนิมนต์พรามเนี่ยนะครั้นนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อสเสวยในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กลับบ้านไปดนะกลับไปบ้านตนคิดว่าจำนวนภิกษุถึงเท่านี้เราก็สามารถถวายข้าวต้มถวายข้าวสวยถวายผ้าได้แต่สถานที่ที่จะจนิมนต์พระภิกษุสองมีพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยท่านจะทาอย่างไร คิดไม่ตกเหมือนกันนะจะหาที่นั่งมานั่งให้ท่านนั่งตรงไหนเนี่ยก็เลยคิด น, นะความคิดของท่านพราหมกก็ร้อนไปถึงพระแทน่นบรรดุ ก, กัมพลศิลาอาจคือที่นั่งของเทา้าสกกะหรือพระ อ, อินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท้าสหัสันสักกะเทวราชที่สถิต ย, ยู่เนื้อยอดขุนเขาพระเมรุระยะทาง 84,000 ย่นน ครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงเห็นอาสนะร้อนขึ้นมาคือมันแข็งโป๊กขึ้นมาปกตินั่งนิ่มแล้วมันยุบไปตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมนี่มันแข็งขึ้นมาแล้วก็ด่างอุ่นขึ้นมาเลยอย่างนั้นนะเกิดปริวิตรกว่าใครหนอประสงค์จะให้เราเคลื่อนย้ายจากที่นี่กลัวตกเก้าอี้มากอย่างนั้นนะผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยกลัวตกเก้าอี้ที่สุดเลยอ่ะก็เล็งเห็นทิพเนตรตรวจดูมนุษยโลกเนี่ยเล็งทิพนตรก็เห็นพระมหาบุรุษ คือเห็นพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าพระมหาศัตว์ผู้นี้นิมนต์พระภิกษุ ส, สงม์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานคิดถึงเรื่องสถานที่ภิกษุ ส, สง์นั้นอาจจะนั่งแม้เราก็จะควรไปในที่นั้นแล้วรับส่วนบุญเรียกว่าขอแบ่งบุญมาด้วยก็ลเลยปลอมตัวเป็นนายช่างเรียกว่าพลิกเรียกว่าแปลงตัวเป็นช่างไม้ถือมีดและขวานปรากฏตัวต่อหน้าพระมหาบุรุษกล่าวว่าพระมหาบุรุษเห็นก็ถามว่า ไปถึงก็ถามว่าใครน้อมีกิจที่จะจ้างเราทำงานบ้างนะกลายเป็นช่างไาเลยนะผอบิวแสดงมีสิวมีขวานมีมืดหอบป ร, รุงพลังมาเลยพระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็ถามว่าท่านสามารถทำงานของเราได้หรือเขาก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะที่เราไม่รู้ไม่มีผู้ใดประสงค์จะให้ทำสิ่งไรๆ ไ, ไม่ว่าจะเป็นมนดบปร า, าสาหรือนิเวศ เป็นต้นไรๆอื่นเราก็สามารถทําได้ทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามีงานพระอินทร์ก็ถามว่างานอะไรเล่านายท่านพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรานีมนุ์ภิกษุสงฆ์จํานวนแสนโกดเพื่อฉันอาหารในวันพรุ่งนี้ท่านจัดต้องสร้างมนดบสําหรับภิกษุเหล่านั้นนั่งนะเขาก็บอกว่าได้สิเพราะคุณก็รับว่าสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นท่านก็ถ้าอย่างนั้นเราจัดทำแล้วก็ตรวจ ด, ดูภูมิประเทศแห่ง ภูมิประเทศเหล่านั้นประมาณ12โยอดก็มีพื้นเรียบเป็นเหมือนกับวงกสินหน้าเรื่นรมเป็นเหมือนลานนวดเข้าขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่าปรับที่แป๊บเดียวเนี่ยใช้สายตาปรับที่เรียบร้อยแล้วคนมีบุญเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเขาก็คิดต่อไปอีกว่ามนดบที่เห็นเป็นแก่นไม้สําเร็จด้วยรัตนะเจประการจงผุดขึ้นแสดงว่าเนรมิตด้วยสายตาเป็นหลักเลยนะณที่นั้นประมาณเท่านี้ ก็คิดดูนะคนโกรธเนี่ยตายอย่างแดงต่ํำเลยถ้าคนมีบุญคิดเนี่ยทำไมจะสําเร็จไม่ได้ใช่ไหมก็ตรวจ ด, ดูมนดบก็แชมปแรกพื้นผุดโผล่ขึ้นเสมือนมนดบจริงนะมนดบนั้นมีหม้อเงินอยู่ที่เสาเอออยู่ที่เสาทองมีหม้อทองอยู่ที่เสาเงินมีหม้อแก้วประพานอยู่ที่เสาแก้วมณีมีหม้อแก้วมณีอยู่ที่เสาแก้วประพานมีหม้อรัตนเจ็ดอยู่ที่เสารัตนเจ็ต่อจากนั้นเขาก็ตรวจ ด, ดูว่าขายกระดิ่ง จงห้อยระหว่างระยะของมนดกพร้อมทั้งการตรวจดูขายกระดิ่งก็ห้อยเมื่อต้องการลมผานอ่อนๆเรียกว่าลมแพ่วลมอ่อ น, ออนๆก็เปล่งเสียงไพเราะน่ารื่นรมอย่างยิ่งเหมือนอย่างดนตรีเรียกว่าดนตรีมีองค์หได้เป็นเหมือนเวลาบรรเลงทิบสังขีตะดนตรีทิปเขาคิดว่าพวงของหอมพวงดอกไม้พวงใบไม้และพวงรัตนะของทิปเจงห้อยลงเป็นระยะระยะพร้อมกับคิด พวงทั้งหลายก็ห้อยอนนะเครื่องลาดมีค่าเป็นมีค่าเป็นของกัปิยะและเครื่องรองทั้งหลายสำหรับพิสุจํานวนแสนโกดก็ชําแรกแผ่นดินผุดโผล่ขึ้นในทันใดของดังกล่าวก็ผุดขึ้นเนี่ยนะเขาคิดว่าหม้อน้ำจงตั้งอยู่ทุกๆมุมมุมละหม้อธันใดนั่ น, น, นเองหม้อน้ำทั้งหลายเต็มด้วยน้ำสะอาดและหอมเป็นกัปิยะมีรสอร่อยเย็นอย่างยิ่ง มีปากปิดด้วยใบตองก็ตั้งขึ้นใช้ใบกล้วยเ น, นี่ยปิดเน่ยนะเท้าสหัสนไยนั้นอ่ะทรงเนรมิตสิ่งของมีประมาณเท่านี้แล้วก็เข้าไปหาพราหมณ์ว่านายท่านมานี่แนะ่ท่านเห็นมนดกของท่านแล้วโปรดให้ค่าจ้างแกเราสิพระโพธิสัตว์ตรวจดูมนดกเมื่อเห็นมนดกนั้นก็สรีระก็ถูกปีติทั้งห้าถูกต้องแพร่ซ่านมิได้ว่างเว้นเลยเรียกว่าปีติดีใจมากนะอูย้ยสมใจนึกหมดเลย ครั้งนั้นพระมหาสัตว์เมื่อแลเห็นก็คิดอย่างนี้ว่ามนดบนี้ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์สร้างอาศัยอัธยาศัยของเราอาศัยคุณของเราจึงร้อนถึงพบของเท้าส ก, กเทวราชคิดออกเลยว่าเทวดามาช่วยต่อจากนั้นเท้าส ก, กเจอมถวยเทพก็เนรมิตมนดบนี้แน่แล้วคิดได้เลยว่าเท้าสักกมาเนรมิตให้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าการจะถวายทานวันเดียวในมนดบเห็นป่านี้ไม่สมควรแก่เรา จำเราจะถวายทานเนี่ยตลอดเจวันเพราะอะไรเพราะว่าธรรมดาทานภายนอกมีแม้มีประมาณเท่านั้นก็ไม่อาจทําหัวใจของพระโพธิสัตว์ให้พอใจได้ถึงจะถวายเป็นเดือนเป็นปีท่านก็ไม่อิ่มใจหรอกเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอาศัยจากะย่อมจะชื่อว่าพอใจก็แต่ในเวลาที่ตัดศีศรษะที่ประดับแล้วหรือควักลูกตาที่หยอดแล้วหรือถอดเนื้อหัวใจให้เป็นทาน เท่านั้นนะจึงจะท่านจะท่านจะดีใจสุดๆต่อเมื่อตัดหัวให้ควักตาให้หรือว่าผ่า อ, อกให้นั่นแหละจึงจะดีใจที่สุดแต่ถ้าเป็นให้ของธรรมดาทั่วไปจะให้ขนาดไหนก็ไม่ยังใจให้เอบ อ, อิ่มหมายความว่ามันไม่อิ่มนะคือคื อ, ค, อคิดระดับท่านเนี่ยเหมือนกับว่าคนแบบท้องโตนะอุย้ยเอาข้าวมาอะไรเนะีถ้วยเดียวถ้วยนิดเดียวโอุย้ยเมื่อไหร่จะอิ่มอะไรกันนั้นไม่อิ่มไม่พอหรอก ยกตัวอย่างในศีวิราชชาดกเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราสละทรัพย์วัน ล, ละห้าแ 0,000 นกหาปณะทุกๆวันให้ทานหาแห่งท่ามกลางนาครหนึ่งแห่งที่ประตูเมืองอีกสี่แห่งทานนั้นก็ไม่อาจให้เกิดความพอใจในจาระะได้เลยให้ก็ใครว่าก็ ก, ก็ปีเตีย น, นะแต่ว่ามันไม่อิ่มใจพอที่จะปลื้มยิ้มแป้อะไรแต่ว่าต่อเมื่อสมัยใดเท้าสกตะเทวราชปลอมตัวเป็นพรามมาขอจากสู่ทั้งสองข้าง สมัยนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็ควักจักสุเหล่านั้นให้กําลังแห่งทานนั่นแหละจึงทําให้เกิดความร่าเริงจิตใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่เพียงเท่าปลายเส้นผมเพราะฉะนั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ทั้งหลายอาศัยแต่ทานภายนอกจึงไม่ได้อิ่มเลยอันนั้นถึงจะให้ของหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอกอิ่มใจจริงรอกอกว่างเพราะฉะนั้นพระหมหาบุรุษพระองค์นั้นก็เลยคิดต่อไปว่า ควรเราจะถวายทานแก่ภิกษุจำนวนแสนโกรจึงให้ภิกษุเหล่านั้นนั่งณนะมณดบนั้นแล้วก็ถวายทานชื่อว่าขวะปานะขนมแป้งผสมนมโคผสมนมโคในเจวันโภชนะที่เขาบรรจุหม้อขนาดให ญ, ใหญ่ให้เต็มด้วยน้ำนมโคแล้วก็โยกขึ้นตั้งบนเตาข้าวสารทีละน้อยทีละน้อยลงนะคเรียกว่าวค่อยใส่ใส่ข้าวสารทีละน้อยทีละน้อยลงในน้านมที่สุก โดยเคี่ยวจนจนข้นแล้วก็ปรุงด้วยน้ําพึ่งคลุกด้วยน้ําตาลกรวดละเอียดและก็เนยใสยเข้าด้วยกันเรียกว่าขาวะปานะเป็นวิธีทำอาหารอีกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในบาลีกล่าวว่าขาวะปานะนี่แหละเรียกว่าโภชนะอร่อยมีรสสี่อย่าง อ, นนอร่อยมากมีรสอะไรบ้างรสนมรสอะไรรสรสน้ําตาลกรวดรสเนยนี่นะมีข้าวมี นมมีเนยแล้วก็มีน้ําตาล4อย่างเขาบอกว่าแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจอังคาาได้ไม่รู้จะไปประเคนยังไงนะพิสูจ์ตั้งแสนโกรธมนุษย์ไม่รู้จะเดินเข้าช่องไหนไปประเคนของแม้แต่เทวด า, ท, าทั้งหลายที่อยู่ในช่องว่างหนึ่งพอจะอังคาาได้เทวดาเท่านั้นแหละพอจะประเคนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสถานที่นั้นแม้ขนาด12โยศก็ยังไม่พอรับภิกษุน์เหล่านั้นได้เลยแต่พิกษุเหล่านั้น น, น, นั่งโดยอนุภาพของตนของตนสถานที่ตรงนั้นจุบพระไม่พอนะ จึงพระมากกว่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์ของพระท่านก็สามารถย่อหรือขยายมนดบให้นั่งได้พอดีสบายสบายกัน น, นะเทวดาเท่านั้นแหละจึงจะช่วยเข้าไปประเคนของได้วันสุดท้ายพระมหาบุรุษให้เขาล้างบาทภิกษุทุกรูปบรรจุด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นได้ถวายพร้อมด้วยไตรชีวรผ้าจีวรที่ภิกษุนวกกะที่ได้แล้วนั้นมี เป็นของมีค่านับแสนขนาดว่าองค์สุดท้ายในจำนวนแสนโกรเนี่ยผ้าของท่านยังมีราคานับแสนจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระถวายพระพุทธเจ้าควรจะมีราคาเท่าไหร่ครั้งนั้นพระศาสดาเมื่อทรงทำรรอนุโมทนาทรงใครครวนดูว่าพระมหาบุรุษผู้ดได้ถวายมหาทานเห็นป่านนี้เขาจะเป็นใครกันหนอคือแท้จริงของเขาเขาคือใคร ก็ทรงเล็งเห็นด้วยสัพพัญยุตยานว่าในอนาคตการเขาจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในที่สุดหลังจากนี้ไปสองอสงไขยกําไรเศรษอีกแสนกับจากนั้นก็เลยเรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วพยากรณ์ว่าล่วงการประมาณเท่านี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะลําดับนั้นพระมหาบุรุษดับคําพยากรของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหัวใจปลาปลื้ม คิดว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องการอยู่ครองเรือนนะจึงสละราชสมบัติสละสมบัติเห็นปานนั้นเสมือนก้อนน้ําลายนะเหมือนอย่างว่าคนถ่มน้ําลายออกไปไม่อะไราฉันใดมองเห็นสมบัติที่มีอยู่ก็ฉันนั้นบวชในสำนักของพระศาสดาเรียนพระพุทธวจนะทรงพระไตรปิฎกยังอภิญญาและสมาบัติแปดให้บังเกิด มีฌานไม่เสื่อมดำรงอยู่ตลอดอายุที่สุดอายุแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกใ น, ในทรงพระไตวิดกชาติที่สองเพราะฉะนั้นพระองค์เล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าสมัยนั้นเราเป็นพรามชื่อว่าสุรุจิเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศเราเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถึงพระองค์เป็นสารณะแล้วบูชาพระสงค์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของหอมและดอกไม้ครั้นบูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้ว ก็เลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญด้วยขนมขวะปานะพระมงคลนพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดของสัตว์สองเท้าแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ว่าโดยจำนวนกับนับไม่ได้ถ้าว่าโดยอสงไขยก็สองอสงไขยเศษอีกแสนกับ ตถาคตนั้นจะออกพิเนศสกรมจากกรงกบิลพั์ตั้งความเพียรรมทุกระกิริยาจวบจนอะไรนะเรื่องราวก็คล้ายๆกับหน้า358้านั้นก็ความก็รวบรัฐพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคำพยากรณ์ของพระมังคละพุทธเจ้านั้นแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งเพื่อบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์ ครั้งนั้นเราเพิ่มภูนปีติเพื่อบรรลุสัมโพธิยานอันประเสริฐก็ถวายเคหะคือถวายบ้านเรือนของเราแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็บวชในสำนักของพระองค์เราเล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและนวังคัสตุศาสตร์ทั้งหมดคือคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์ก้าคือพระไตรปิฎกยังศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามเราอยู่ในพระศาสนานั้นอย่างไม่ประมาทเจริญพรห ม, มหารภาวนา ถึงฝั่งอภิญญาก็เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะส่วนพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละนั้นพระองค์มีนครชื่อว่ามีเมืองพี่เมืองเกิดนะนะอุตรานครพระชนกของพระองค์เป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอุตราพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอุตราคู่อัครสาวกชื่อว่าพระสุเทวะและพระสุพระธรรมเสนะ มีพุทธอุปถาชื่อว่าพระปาลิตะคู่อักขระสาวิกาชื่อว่าศีลวาและอโศกาต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคาหรือต้นกากะถิงพระองค์มีพระสรีระสูง88ศซอกพระชนมายุของพระองค์ประมาณ 90,000 ปีพระฉายาของพระองค์ชื่อว่ายาสาวดีพระโอรสชื่อว่าศีลวะเนี่ยนะ เสด็จออกพิเนศกรมโดยยานคือมาประทับณนะพระวิหารอุตรารามอุปถามชื่อว่าอุตระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดำรงพระชนอยู่9ก้า0มื่นปีก็เสด็จดับขันทประริณพานพร้อมกับจุติจิตของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมื่นจักรวาลก็มืดลงพร้อมกันหมดโดยเหตุโดยเหตุอย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์ทุกจักรวาลก็พากันร่าให้ท่าครวนนะ่ะนะพากันร้องให้ ในหน้าสามร้อยห้าสิบห้ากล่าวว่าคลื่นในมหาสมุทรใครๆไม่อาจนับคลื่นเหล่านั้นได้ฉันใดสาวกของพระมังคละพุทธเจ้าพระองค์นั้นใครๆก็ไม่อาจนับสาวกเหล่านั้นได้ฉันนั้นเหมือนกันพระมังคละสมัมพุทธเจ้าผู้นำโลกยังดำรงอยู่เพียงใดความตายของผู้ยังมีกิเลสในสาศาสนาของพระองค์ก็ไม่มี เพียงนั้นท่านแสดงว่าช่วงนั้นไม่มีปุตโพระเสขะตายเลยมีแต่ผ้าอรหันต์ปรินิพานพระผู้มีพระยศใหญ่พระองค์นั้นทรงชูประทีปทำยังมหาชนให้ข้ามโขละสงสารแล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพานเหมือนดวงไฟลุกโผล่แล้วก็ดับไปฉะนั้นพระองค์ครั้นทร ง, งแสดงความที่สังขารทั้งหลายเป็นสภาวะธรรม คำว่าสภาวะธรรมนี่หมายถึงว่าทำบางอย่างเป็นกุศลทำบางอย่างเป็นอกุศลทำบางอย่างเป็นอัพยากตะทำบางอย่างสัมปยุตด้วยสุขทำบางอย่างสัมปยุตด้วยทุกขทำบางอย่างสัมปยุตด้วยอาทุกขมสุขเนี่ยนะทำบางอย่างมีวิตกมีวิจารณ์บางอย่างไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์บางอย่างไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บางอย่างเป็นผลของกรรมบางอย่างเป็นกรรมบางอย่างไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมบางอย่างมีความเศร้าหมอง เป็นอารมณ์ของความเศร้ามองบางอย่างไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของความเศร้าหมองบางอย่างไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์แห่งความเศร้าหมองเขาจะมีการจำเนกทำอย่างนี้เนี่ยนะก็แสดงให้เห็นสภาวะธรรมในความเป็นกุศลเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ดับขันทัปปริณิพานใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วก็ดับแล้วก็ใครที่ไปกุศินาราก็จะิยมคนหนึ่งก็บอกว่า ที่ต้นโพนี่ก็น้าตาซึมมาหน่อยๆแล้วเขาบอกงั้นที่พาราณสีก็พอสมควรบอกว่าพอมาถึงกุสินาราก็เลยทํานบทลักเลยกันเนี่น้ำตาเอออะไรเข้างั้นเพราะอะไรเพราะอะไรแค่ว่าสังเวทใจนะคือปลื้มใจที่ได้มากราบมาไหว้แล้วก็เสียใจที่มาไม่ทันเะทั้งดีใจทั้งเสียใจคล้คล้ากันไปเนี่ยนะมันก็พระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแล คือคำว่าเช่นนั้นหมายความว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกเสร็จแล้วก็ปรินิพานเหมือนกองไฟใหญ่ที่ลุบโพล่แล้วก็ดับไปเหมือนดวงอาทิตย์สองสว่างสว่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะวันนี้ก็สว่างมากนะเอกไม่นานดวงอาทิตย์ก็จะอัสดงดับไปศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นบทว่าสุริโยอัฏฐาตยถาความว่าดวงอาทิตย์ซึ่งมีรศมีนับพัน กำจัดกลุ่มความมืดทั้งหมดและส่องสว่างหมดทั้งโลกยังถึงอัสดงคตฉันใดแม้พระมงคลพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์ผู้ทำความเย้บานแกเวนยศัตร์ผู้เป็นเหมือนดังดงบัวทรงกำจัดความมืดในโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทุกอย่างทรงรุ่งเรืองด้วยพระสมีแห่งพระสรีระของพระองค์ก็ถึงความดารงอยู่ไม่ได้ ฉ น, นั้นเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารธรรมควรแล้วที่จะคลายกำหนัดในสังขารธรรมควรแล้วที่จะเจริญโพธิปัจยะธรรมนำออกจากทุกโดยประการทั้งปวงการแสดงพุทธวงในอาทิตย์นี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะด้วยผลบุญที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันฟังพุทธวง มาตลอดสัปดาห์นี้ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขให้ทุกท่านมีความสุขมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงเจริญด้วยแครวะประสบความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในที่สุดก็ตรัสรู้นิพพานสมบัติโดยทวนกันอนุโมทนา